พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าสะสมบุญไว้ให้เต็มที่ วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าข่ำเดือนสองวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่าให้ขาดตกบกพ่องถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าให้พวกเราสํานึกไ้เลยว่าอันนี้คือเป็นวันประกอบคุณงามความดีของพวกเราถ้าว่าพวกเราวันไหนก็วันเก่าไม่มีวันสำคัญ ไม่มีวันปฏิบัติธรรมไม่มีวันรักษาศีลไม่มีวันประกอบคุณงามความดีซะเลยผลที่สุดกิเลสก็เอาไปตีไปกินหมดกิเลสโลภโกรดหลงภายในใจของเรามันยิ่งแซงหน้าแซงหลังอยู่แล้วอเดี๋ยวกว่าอ่างนู้นเดี๋ยวกว่าอ่างนี้เดี๋ยวกว่าหวานน่าวเดี๋ยวว่าหิวเดี๋ยวกว่ามีธุระเดี๋ยวกยวก่าใครมาเยี่ยมเดี๋ยวก็ไปงานคนนั้น เดี๋ยวก็ไปงานคนนี้มันมีมากหลากหลายถ้าหากว่าพวกเราไม่ตัดสินใจถึงยังไงถึงอย่างงานยังไงก็เถอะแปดค่ำสิบห้าค่ำข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้ได้ข้าพเจ้าจะมาวัดให้ได้ข้าพเจ้าจะมาประกอบคุณงามความดีมาสมาทานศีลและทำเข้าสู่จิตใจให้ได้เรื่องเหนั้นเอาไว้ก่อนถ้าไม่จําเป็นจริงฮะ เราต้องคิดไว้ในใจต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเอาไว้ถ้าเรามีความจริงจังและจริงใจเอาไว้อย่างนี้กิเลสทั้งหลายที่มันจะมาแบ่งสรรปันส่วนคุณงามความดีของเรามันก็คงจะขยาดขยาดเหมือนกันนะแต่ถ้าเราตามกิเลสของเราตามใจของเราเนี่ยมันจะไม่มีที่สุสิ้นสุดหนะ้าอัตธาญาตโยมให้ฟังเอาไว้ เพราะว่ากิเลสไฟต่ําเนี่ยโดยมากมันจะลากถูลงไปเรื่อยๆอไม่อยากจะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีไม่ให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลอเข้าสู่จิตใจล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราให้อขยื้อเอาไว้อมีสัจจะเอาไว้ในจุดนี้นะแต่ว่าพวกเราทําอย่างนี้ได้อชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรานึกขึ้นมาเมื่อไร่ เราจะภาคภูมิใจนะเราจะภาคภูมิใจในตัวของเราว่าเราได้เอาชนะกิเลสมาเป็นระยะระยะเยบางคนก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะเอการปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยของดิฉันเนี่ยมันก้าวหน้าอย่างไรดูดูแล้วมันไม่เหมือนก้าวหน้ามันเป็นมันก้าวหน้าอย่างไรตัวเองก็ยังประเมินตัวเองไม่ชัดเจนน หลวงพ่อก็บอกว่าให้พวกเรานึกย้อนดูลังหลังดูสิเป็นหลายปีหลายเดือนหลายปีให้หลังนู่นนะจิตใจเราเป็นยังไงในช่วงนั้นแต่มาถึงช่วงนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตใจช่วงนั้นกับช่วงนี้เนะี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรมันมกุกมุ่นไปทางกิเลสโลภโกรดหลงหรือว่าเรารู้สึกมีจิตใจ มุ่งมั่นกับศีลกับธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขึ้นมาโดยลำดับลําดับจิตใจของเราได้รับความร่มเย็นขึ้นมาโดยลําดับแต่สมัยนั้นจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นแต่มาเดี๋ยวนี้จิตใจของเราเป็นยังไงถ้าว่ามันดีขึ้นก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเราหรือเข้ามาสู่วัดวาศาสนาของเราเอามันก้าวหน้าไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองนั่นแหละก้าวหน้านะในเมื่อมันก้าวหน้าอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆในเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็มองหลังอีกกว่าในช่วงปีนั้นนะ่ะที่เราทบทวนนู่นแล้วมาถึงจุดนี้เนะี่ยมันเป็นยังไงใจของเรานะ่ะเอถ้ามันก้าวหน้าแสดงว่าอืมเราก็มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขขึ้นเรื่อยๆรู้จักสินรู้จักทำรู้จักการปล่อยวางอรู้จัก การยึดมั่นถือมั่นอันไหนควรยึดอันไหนควรปล่อยวางมันจะรู้จักใ้จิตในใจของพวกเราเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามใครให้ถามตนเองนั่นแหละถอยหน้าไปหน้าหรือถอยหลังถ้ามันถอยหลังบางครั้งโอ้ตามไม่จริงในช่วงนั้นล่ะเราปล่อยปะละเลยเกินไปเราไปยุ่งเยิงกับทางโลกเกินไปเราไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเกินไปในจุดนั้น เสียประโยชน์เปล่าประโยชน์ละเสียเวลาละจุดนั้นเราก็พยายามอืมต่อไปเราจะพยายามให้ถอยออกจุดนั้นให้มากขึ้นควรจะพียบัติธรรมเข้าสู่จิตใจให้มากขึ้นนะี่แหละสิ่งเหล่านี้ต้องประเมินประเมินตัวเองตัวเองเรื่อยๆถ้าพวกเราประเมินตัวเองอย่างนี้นั่นหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็จะค่อยขยับ ไปเรื่อยๆทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแหละท่านนี่ศีลของเราก็โดยสม่ําเสมอปกติศีลปกติสมาธิพวกเราก็ได้ทําเมื่อมีโอกาสเราก็ทําแล้วก็ปัญญาพิจารณากานกรองไตรตองเหตุและผลปัญญาทางวิปัสสนาเราก็จะให้ขาดตกบกพร่องปัญญาทางโลกเราก็ยจะให้ขาดตกบกพร่อง ปัญญาทางโลกก็คือความรอบคอบรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลอันนี้ปัญญาทางโลกเราต้องเกิดได้ใช้เหมือนกันแต่ปัญญาทางธรรมถอดถอนกิเลสภายในใจของเราก็พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายสังขารจิตใจของเราติดหลงอยู่กับอะไรบ้าง ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อันนี้แหะปัญญาแต่ว่าก่อนที่จะมีปัญญาที่แท้จริงคนที่สับสนวุ่นวายใสยแสปุงฟุ้งซ่านเโดยมากจะไม่เกิดปัญญาได้ง่ายมีแต่เกิดอารมณ์โลดโลภโกรธหลงท่าน่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงทําจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิเดี๋ยนะเราทํำยังไง ต้องกำหนดลมต้องภาวนาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทันสังสอนสายหลวงปู่มั่นของเรานี่นะหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อว่ายึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นของเรานะพี่น้องลูกหลานพระเนร เ, เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หลวงพ่อเองเอตีเป็นพระอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อทำไมจะว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ท่านเป็นปรมาจารย์สอนลูกศิษย์ของท่านก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่เ้าหลวงปู่พรมหลวงปู่ต่างๆตลอดนึกหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฉิมหลวงปู่พศที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนหลวงพ่อลีหลวงปู่กงมามากมาย ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแต่พวกเราศึกษาดูสิแนวปฏิบัติของท่านน่ะท่านปฏิบัติอย่างไรเออท่านให้สอนอย่างไรเรื่องสมร t h เนี่ยทําจิตใจให้สงบนั้นท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาแล้วเดินวิปัสสนานั้นท่านให้เดินอย่างไรเออเดินวิปัสสนาตอกมักตอกผล น, นั้นให้เดินอย่างไรและ้ะขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวออพ่อของเราอะ อย่างลุงพ่อเนี่ยก็คือพ่อของลุงพ่อก็คือหลวงปู่ล่าหลวงตาฮะอแล้วก็หลวงปู่จามหลวงปู่ล่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมดแต่เนี่มาถึงพวกเราเป็นหลานเลยท่านเลนี่แหละพวกหลานเนี่แหละลุลงพ่อเป็นห่วงพวกหลานทั้งหลายที่มาจากเครือข่ายต่างต่าที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศลูกปิดหลวงปู่ฝันลูกศิษย์หลวงปูข่ขาวเอลูกศิษย์หลวงปู่แววนเนี่ยพงพ่อลีที่เป็นหลาน รุ่นหลานรุ่นนี้แหลอจะยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อของเราได้หรือไม่ถือได้มากน้อยแค่ไหนเรื่อย่งชิงกันเด่นกันดังแล้วก็เอาความคิดของสายอื่นเพ่งอย่างนั้นเพ่งอย่างนี้กําหนดอย่างนั้นกาหน ด, นน ด, นนนดนอย่างนี้นิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้เข้าทรงาะนั้นเข้าเจ้าอย่างนี้ ใช้เ อ, ออะไรต่อไม่อะไรมากมายทุกวันนี้เ อ, อเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าหลานของหลวงปู่มั่นะไม่มีจุดยืนกระซับกระสายเ อ, อไม่ได้ไปไปตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเ อ, อแต่มิจะชื่อว่าเป็นสายหลวงปู่มั่นเท่านั้นแต่การประพฤติปฏิบัติหรือแนวความคิดนั้น ไปคนะทิศลทางเป็นคนละแนวกันอันนี้หลวงพ่อเป็นห่วงเป็นห่วงจุดนี้เพราะว่าหลวงพ่อในฐานะหลานนะหลานหลวงปู่มั่นคือพ่อของเราก็คือหลวงตาหลวงปู่ราดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นพอ่อแต่พวกเราในฐานะหลานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับไม่ใช่ฝากไว้แต่เฉพาะพระอย่างเดียวนะฝากไว้กับพวกศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเราด้วยให้ศึกษา ให้ยึดมั่นแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะเรามั่นใจหลวงปู่มั่นสายของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยที่จากไปแล้วเห็นไหมกระดูกท่านในกลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราเห็นตาตาตาใจอยู่แล้วพวกเรายังไม่เชื่ออยู่เหรอเราจะไปเชื่อเอาอะไรมาอีกเอาอะไรมาแฝงเข้ามาอีกหรืออยากจะมีชื่อเสียงโด่งดัง อยากจะมีลาบมีรถมียศเหรออย่างที่พระลูกศิษย์ของพระโมกคลาเข้าไปถามจะทำยังไงจึงจะให้มีลาบมียศนะพระโมคคลากรสอนอยากจะให้มีลาบมีรถอย่าไปยากอะไรทำาพลนเลนเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ทำตัวเองทำสิ่งไหนที่เขาไม่พูดตัวเองพูดทำแวกแนวแหวกแนวไปเดี๋ยวก็ดังฮะดังแบบนั้นเราจะเอาเหรอดังแบบ ออกนอกลูก่นอกทางดังแบบบ้าๆบอๆอย่างนั้นไม่ได้ดังตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในพระไตรปิฎกก็มีแล้วอที่ท่านลูกศิษย์พระโมกคลาถามพระโมกคลาหลวงพ่อได้ฟังได้อ่านดูแล้วก็อืมไม่ใช่แต่ไม่มีแต่ยุคยุคนี้สมัยนี้อพระอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะให้คนรู้จักเด่นดังไปทำใหม่ถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรม ไปเหยียบหัวเขาไปลังแกเบียดเบียนเขาอย่างนั้นเหรออยากจะดังอย่างนั้นเหรอเนี่เราต้องถามดูตัวเองที่ว่าเราเป็นผู้มีอย่างไงมีศีลมีธรรมอย่างไงมีหิลิโอตาปะอย่างไรมีสีลายจลรวัดอย่างไรศีลของเราบริบูรณ์อย่างไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวน กันกลองไต่ตองให้มองตอนเองสรุปแล้ให้มองเจ้าของอย่าไปมองคนอื่นมองคนอื่นเขาเขามีอติเลคลาบศท ธ, ธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากหลากหลายก็คงจะเป็นบุญกุศลของเขาในอดีตชาติพอมาในปัจจุบันในชาติเขาก็ประกอบคุณงามความดีเสริมเข้าไปอกีกเพราะฉนั้นเขาจึงมีเกียรติยศชื่อเสียงบุญบา ร, รมีของเขาเก่า แล้วก็มาเสริมใหม่เข้าไปอีกอันนั้นเป็นบุญของเขาอันนี้เราล่ะอแต่ละคนมันใช้กรรมของใครของเราทั้งหมดเอถ้าเราเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเมื่อเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรอันนี้เราจะไปเห็นเขาดีเราจะไปอิจฉาพยาบาทเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตั้งพระโมกขาราตั้งภาษาลิบุตรเป็นอครสาวกขวาพระโมกขาราตั้งเป็นอ克拉สาวกซ้ายตั้งพระอานุ์เป็นพุทธอุปถาก ค, คนสมัยนั้นเขาถ้าทุกวันนี้ถ้าเขียนหนังสือได้เขาก็คงจะมีบัตรสนเทศเหมือนกันนะบัตรสนเทศถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะทำไมพระพุทธเจ้าจะไปตั้งพระโมกขาราตั้งภาษาลิบุตร เป็นอั克拉สาวกสายขวาทําไมจะไม่ตั้งัญญากนธัญะผู้บวชก่อนคนทัญะว ป, ปะพัทธิยะมหานามาตยชินั่นนะทําไมไม่ตั้งท่านเหล่านั้นให้เป็นอัครสาวกทําไมจะมาหาตั้งพระโมฆราชสารีบุตรเพิ่งบวชทีหลังเขาแล้วเพอเพยังตั้งพระอานุ์เป็นพุทธอุปทาอีกตั้งน้องชายตัวเองอีกรูปของน้องชายพ่อเป็นพุทธอุปทาอีกแสดงว่าเห็นแก่น้า ถ้าทุกวันนี้ก็คงจะมีบัตรชนเทศ ย, ยาวเหยียดล่ะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระอา น, น์นัอนที่เราตั้งเป็นพุทธอุปถากนรเขาตั้งความปรารถนามาแต่นู่นพระพุทธเจ้าองค์ๆๆๆๆๆๆๆๆนู้นนั่นอได้รับพยากรณ์เมื่อนั้นบัตรนี้เขาอได้มาถึงจุดนี้แล้วกระสมความมุ่งมา่นปรารถนาของเขาเราตั้งตามเรื่องเหตุผลที่มันเกิดมันมีขึ้นะ ไม่ใช่เราเห็นแก่หน้าภาษาลิบูตก็เหมือนกันเขาตั้งความปรารถนาจากพระพุทธเจ้าองค์โน้นสมัยนะั้นเขาเป็นลือสีมีบริวารมากพระพุทธเจ้าไปโปรดท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นท่านก็มาชวนเพื่อนที่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมือง ลือศีอยู่ในป่าดงค์งไปมานชวนลือศีเอ้ยเป็นสาวกข้างซ้ายกับเราอะ่ะเอเพื่อนกันพระโมคคลานี่ก็เป็นเศรษฐีอ้าวจัดมนดบขึ้นมาแล้วก็จัดปลัมขึ้นมามนีน่มนตพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงค์มาทำบุญทำทานนะี่เจ็ดวันเลียเ้ยงพระสงฆ์เป็นหลายหมืน่นหลายแสนองค์แล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง พร้อมกับภาสาลิบุตรพระสาลิบุตรเป็นข้างขวาข้าพระองค์ขอเป็นข้างซ้ายโดยเถินในอนาคตเนี่ยพราะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ท่านว่าเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จกับเรพพยากรณ์ไว้อีกเลยโมกคลาจะได้เป็นอาคลสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าคือโคตมะโครมพรพุทธเจ้าโครมโคตมะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่บุญคุณโทษของท่านนี ว, ว่าเป็น บุปกรรมของท่านที่ทำมาในอดีตสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาเห็นเห็นเขาดีกว่าตัวเองเลยอิจฉาเขาอิจฉาตาเหลือกเขาเมันก็ไม่น่าจะถูกต้องถ้าผู้มีธรรมในใจนะเว้นเสียแต่ผู้มีกิเลสในใจเยอะแยะอันนั้นช่วยไม่ได้ถ้ามีธรรมในใจมันต้องคิดอ่านหน้าอ่านหลังเหมือนกันนะ ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำเพราะคนเราทำไมไม่เหมือนกันเกิดมามีแข้งขาตีนมือมีหน้ามีตาเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันบุญบารมีทําำไมไม่เหมือนกันความรู้ความฉลาดทำไมไม่เหมือนกั น, ไมไม น, กนถึงควรที่ฉลาดก็เถอะเป็นด็อกเตอร์ก็เถอะแต่เอาตัวไม่รอดก็มีต่งเยอะแยะแต่นี้จบป .4 ก็ยังไม่จบแต่เขาเป็นเศรษฐี มีเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลก็มีมากต่อมากอีกเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรก็ต้องทําไม่ว่าบุญวาสนาบา ร, รมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปแข่งกันแข่งเรือแข่งพายแข่งความหมั่นความขยันแข่งอะไรนะแข่งได้แต่อย่าไปแข่งบา ร, รมีนะบุญบา ร, รมีมันมองไม่เห็นเขาทําในอดี ต, ตชาติ มากขนาดไหนที่เขาทํามาแล้วเพราะฉนั้นเมื่อเขาทําแล้วเราก็ควรจะทําสั่งสมบัลมีของตนเองในชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องสั่งสมบัรมีให้มากนะอย่างที่พระพุทธเจา้าท่านเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพระบารดาแต่ที่แรกก็มีเทวบุตรมาลอบลอบมาล้อมใกล้ทันพอต่อมาเทวบุตรองค์อื่น มาเข้ามาอีกเทวบุตรองค์นั้นเอบุญหนักสักน้อยถอยออกไปบีมบุญบารมีเข้ามาอีกมาใกล้อีกคนอื่งถอยออกไปพราะในสุดนุ่นจนจะรับสายตาเน่นะ เ, เทวบุตรที่มาใกล้ๆเอ้เทวดาเทวบุตรก็ถามทําไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์บอกว่าเทวบุตรที่ขึ้นมาใหม่ที่เลยรักษาศีลได้ภาวนา ในศาสนาของเราตถาคตเนี่ยได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้บุญกุศลที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระหารตสาวกเนี่ยอันนีสงฆ์มากกว่าที่ทําบุญทําทานให้ทานรักษาศีลกับคนสามัญชนทั่วๆั่วไปทําบุญกับเป็นทั่วทั่วไปคนไม่มีศีลมีอะไรกเราก็ทําบุญทําทานไปอันหนึ่งทําบุญกับพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก พวกนี้อันนี้ท่านเหล่านี้อันนี้สงฆ์มากกว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้อพยากรหรือท่านพูดตรัสเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นบุญกุศลสมควรยิ่งเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์และลักษาศีลออย่าได้ขาดทุกวันพระแล้วก็นภาวนาอย่าได้ขาดอแล้วก็เดินจองกลมภาวนาทําจิตใจให้สงบ พยายามประกอบคุณงามความดีอย่างเนืองนิดอย่างเนืองเนืองนี่แหละบุญกุศลตัวนี้แหละจะสืบเนื่องจิตใจของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญแต่พวกเราทําอะไรก็เตาะเตาแตะหลงหลงลืมลืมเพเพลินเลอะเอะได้บ้างไม่ได้บ้างผลี่สุดผลก็กระปิดกระปอยอย่างไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราถูกถูกทันนะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้ให้แนวความคิด มากหลากหลายสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปรับพร